การที่เรามาทำบุญกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นเหมือนกับการเดินทางเรากำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุขที่เจริญกว่าที่ที่เราอยู่กันขณะ น, นี้การทำทานทำบุญ รักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญาอันนี้เป็นการดึงจิตใจของเราให้ไปสู่ที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ให้เรามีความสุขมากขึ้นให้เรามีความทุกข์น้อยลงและให้เรามีความสุขตลอดเวลา ไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจไม่ต้องกลับมามีร่างกายเหมือนอย่างที่พวกเรากาลังมีกันอยู่ตอนนี้มีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปความสุขที่ได้รับจากการมีร่างกายกับความทุกข์ที่ได้รับมันต่างกันมาก ความสุขได้น้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์ที่เราได้รับจากการมีร่างกายดังเราต้องการที่จะไปสู่ที่ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายพอใจของพวกเราหรือตัวของเราเองก็ ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่เราถูกความหลงหลอกให้เรามาผูกตัวเราให้ติดอยู่กับร่างกายที่มีการแก่การเจ็บการตายร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนลูกระเบิดเนี่ยแล้วเราก็เอามามัดไว้กับร่างกายของเรา แล้วลูกระเบิดมันระเบิดร่างกายเราก็ระเบิดไปด้วยใจเราก็เป็นเหมือนร่างกายส่วนร่างกายของเรานี่ก็เป็นเหมือนลูกระเบิดเราใจเรามาผูกติดกับร่างกายเสี๋ยร่างกายมันก็ระเบิดเดี๋ยวมันแก่มันเจ็บมันตายมันก็สร้างความทุกข์ผลิตความทุกข์ขึ้นมาใจเราก็เลยไปทุกข์กับมัน ถ้าเราแยกลูกระเบิดไว้กับห่างออกจากร่างกายเราเวลาลูกระเบิดระเบิดมันก็ไม่มากระทบกระเทือนกับร่างกายของเรานอกจากพวกบ้าที่อยากจะเสีชีพด้วยการเป็นระเบิดเขาก็เอาระเบิดมามัดติดไว้กับตัวเขาแล้วเขาก็เกดึงชนวนก็ะตุกชนวน ก็ตกมันก็ระเบิดตัวเองก็ระเบิดเป็นเสียงแล้วก็คนอื่นไม่รู้อหน่อิหนก็ต้องมาตายไปด้วยนี่แหละคือใจของพวกเรานี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่แตกเป็นเสียงเหมือนกับร่างกายแต่มันต้องทุกข์เหมือนกับเวลาที่โดนลูกระเบิดเวลาโดนลูกระเบิดมัน มันก็ทุกข์กันร่างกายไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ลูกระเบิดเรเวลาเกิดลูกระเบิดขึ้นมามันก็ต้องทำให้ร่างกายทุกข์เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือพยายามอย่าเอาตัวเราไปผูกติดกับลูกระเบิดอย่ า, อาลูกระเบิดมาติดกับตัวเราลูกระเบิดก็คือร่างกาย ต่างๆร่างกายนี้มีหลายแบบหลายชนิดด้วยกันกายหยาบก็มีกายกายละเอียดเรียกว่ากายทิพย์ก็มีเช่นกายของมนุษย์นี่เรียกว่ากายหยาบส่วนกายของเดรชาญก็กายหยาบก็มีอํานาจของแรงระเบิดต่างกัน ระเบิร่างกายของมนุษย์นี้มีแรงระเบิดน้อยกว่าแรงระเบิดของสัตว์เดรัจฉานพก็สัตว์เดรัจฉานนี่เขาอยู่อย่างทุกข์มากกว่ามนุษย์อยู่กันมนุษย์ยังพอที่จะรู้จักหลบภัยต่างๆได้แต่สัตว์เดรัจฉานนี่เขาอยู่ในป่าเขาก็อยู่แบบ หวาดระแวงหวาดกลัวตลอดเวลาไม่รู้ว่าเขาจะถูกกัดถูกกินเมื่อไหร่มนุษย์ยังมีความปลอดภัยบ้างมีความสุขบ้างระหว่างเดรัจฉานกับมนุษย์นี่เราอยากจะเป็นอะไรเป็นมนุษย์ดีกว่าใช่ไหมเพราะมันมีความสุขมากกว่าการเป็นเดรัจฉานแต่ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์ก็ยังเป็นถือว่าเป็นลูกระเบิดอยู่กายของมนุษย์กายของเดราาัจฉานที่ใจของเราเอามาผูกติด เราไม่รู้ว่าเรามาติดกับไอ้ลูกระเบิดนี่ได้ยังไงถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพทเจ้ามาตัดซะแลเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้เราไปเอาลูกระเบิดมาผูกติดกับร่างกายของเราก็คือความหลงนี่แหละความหลงที่ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นลูกระเบิดกับคิดว่าเป็นอ่าเป็นของที่ จะให้ความสุขกับเราเราก็เลยเอามาเอามาสวมเอามาใส่เพราะความหลงทําให้เรามองไม่เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเราจะเห็นแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการมีร่างกายา ม, มีร่างกายเราก็จะได้ไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆได้ ไปเที่ยวกันไปเล่นกันไปไปกินไปดื่มกันนี่ก็ต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันก็กินมันดื่มไม่ได้เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้เราจึงไม่ชอบเวลาร่างกายมันแก่แก่แล้วก็เที่ยวไม่ได้เล่นไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เล่นไม่ได้ตายก็เล่นไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยต้องเจอความทุกข์เวลาที่ร่างกายมันระเบิดเวลามันแก่มันเจ็บมันตายแต่เราก็ยังไม่รู้สาเหตุถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้จักสาเหตุว่าเราทำยังไงที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้ามีพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบสาเหตุว่า ไอเหตุที่เรากลับมามีร่างกายกันเอาร่างกายมาถูกติดไว้กับตัวเราก็เป็นเพราะว่าเรามีความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายนั่นเองอยากดูอยากฟังอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสอะไรต่างๆหนาเย็น แข็งนุ่มเนี่ยก็ต้องมีร่างกายความอยากนี้เลยเป็นตัวที่ทำให้เรามามีร่างกายกันแล้วก็ต้องมาทุกขกับเวลาที่ร่างกายนี้มันระเบิดช่วงที่ไม่ระเบิดมันก็สบายเหมือนคนที่ที่มีระเบิดมัดไว้กับตัวนี่ตอนที่ไม่ระเบิดมันก็จะทำอะไรก็ได้ สบายแต่พอถึงเวลามันระเบิดขึ้นมาก็ก็ตายไปตายไปแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่า <c oughs> ความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายมันอยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตอนที่ร่างกายระเบิดนี้ใจไม่ได้ระเบิดไปกับร่างกายใจยังอยู่ต่อแต่พอไม่มีร่างกายก็เหงาว่าเวก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาผูกใหม่เพื่อจะได้มีรูปมีตาหูจมูกนิ้วกายไว้ดูรูปไว้ฟังเสียงอะไรต่าง นี่แหละคือการที่เราต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆ ร, ร่างกายปัจจุบันที่เรามีอยู่นี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่นท่านว่าเป็นระดับล้านๆ น, น, นู่นนะ่ะเ พ, พราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยในแต่ละครั้งที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย ถ้าสะสมเอามารวมกันแล้วมันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรจะดูว่าเราต้องมีร่างกายกีร่างกายกันถึงอย่างหลังน้ําตาลได้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหะคือปริมาณความทุกข์ที่เราสะสมกันมาแต่เราก็ไม่รู้เราจําไม่ได้พอมันผ่านไปแล้วมันก็ มันก็เหมือนกับความฝันเราตายไปจากชาติก่อนแล้วก็จำไม่ได้แล้วว่าชาติก่อนเราเคยเป็นอะไรกันมามีความสุขมีความทุกข์อย่างไรจาไม่ได้นอกจากคนที่มีความจำดีๆคนที่สามารถเข้าสมาธิได้ก็จะสามารถจําลือชาติได้ อย่างพระพุทธเจ้านี่สรงลำเลชาติต่างๆได้พรองก็พยายามที่จะย้อนกลับไปดูอยากจะไปดูว่าชาติแรกอยู่ตรงไหนถ้าวันสาวไปเท่าไหร่มันก็ไม่หมดสักทีมันก็ยังไม่เจอเหมือนกับเชือกที่เราดึงมาเนี่ยดึงมาเท่าไหร่คิดว่ามันจะถึงปลายเชือกดึงมานั่งดึงมาเป็นร้อยวันพันวันมันก็ยังไม่หมดดึงมันไปนเนื่อยๆอันนี้สดท่านก็เลยขี้เกียจ เลิกเลิกไปย้อนอดีตดู ว, ว่ า, าพบชาติครั้งแรกนั้นเป็นอะไรนี่แหละคือเรื่องของการที่เรามามีร่างกายกั น, กนอย่างต่อเ น, นื่องด้วยอำนาจของตัณหาความอยากสามประการนอกจากความอยากในรูปเสียงก ล, ลิ่นแล้วแล้วก็ความอยาก ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วพอได้มาแล้วก็อยากให้มันไม่หมดอยากให้มันอยู่กับเราเป็นอะไรแล้วก็อยากจะเป็นไปเรื่อยๆเป็นนายกแล้วก็อยากจะเป็นไปเรื่อยๆไม่มีใครอยากจ ะ, ะลาออกจากการเป็นนายกใบาลาออกจากเป็นนายกนี้ไม่มีจำหน่าย <c oughs> มีแต่ใบต่ออายุ <c oughs> เดี๋ยวก็ขอต่ออายุกัน ความอยากเป็นความอยากไม่ไม่ให้สิ่งที่มีสิ่งที่เป็นมันหมดไปคือตัวที่ทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยเหมือนกับว่าถ้าร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนกับถ้าเป็นหนังสมัยก่อนหนังมันขาดเราก็เอามาต่อใหม่มาเชื่อมต่อหลยหรือเทปที่เราใช้กันนี่ถ้าเกิดมันขาด อยู่ไม่ได้เราก็ต้องมาต่อมันชีวิตเราร่างกายเราก็เป็นเหมือนเหมือนเทปนี่แหละพอเทป ม, มันขาดเราก็เอามาต่อใหม่ร่างกายนี้ตายไปก็เอาร่างกายอันใหม่มาเราจึงมาเกิดในท้องแม่กันแล้วพอออกมาจากท้องแม่เราก็ต้องดิ้นหล่นกันตอนต้นก็นไปเดือดไปรบกวนพ่อแม่ให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูเรา เหนื่อยยากกับการเลี้ยงดูเราพอเราโตเลี้ยงตัวเราเองได้แล้วเราก็ต้องมาเลี้ยงตัวเราเองต่อต้องไปทำงานต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาซื้อของที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพและยังต้องอามาเที่ยวอีกมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก เพราะนี่คือความสุขของของพวกที่มีความอยากพวกที่ไม่รู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่ดีกว่าความสุขที่เราหากันจากร่างกายนี้ความสุขที่ดีกว่านี้ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือพวกนัก บ, บวชพวกมาษี พวกเหลือสีพวกที่ไปบวชกันในนั่งสมาธิกันตรงนี้เขาพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้สงบให้ระ ง, งับจากความอยากต่างๆระ ง, งับจากความอยากรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอความอยากเหล่านี้ถูกระงับลงไปความสุขอีกแบบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นความสุขที่วิเศษกว่าดีกว่าความสุขที่เกิดจากการได้ทําตามความอยากต่างๆเพราะการทําตามความอยากนี้จะสุขแค่เวลาที่ได้ทําตามที่เราอยากทํา พออยากดูอะไรได้ดูก็มีความสุขพอเลิกดูความสุขนั้นก็หายไปแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอยากดูแล้วก็อยากกินไปดูหนังเสร็จก็ต้องไปกินกันไปกินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดื่มกันไปดื่มแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนอนกันมันอยากไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ได้ทำตามความอยากก็ทุกข์ อยากไปข้างนอกบ้านอยากไปเที่ยวไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไปก็เหงาอยู่บ้านก็เหงาว้าเวแต่ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบนี้มันไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นนสดเพียงแต่ให้มีสติคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากนั่นเอง ถ้าใจสงบใจไม่คิดใจไม่อยากแล้วความสงบก็โผล่ขึ้นมาแล้วใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวอยู่คนเดียวไม่เหงาเพราะความเหงาเกิดจากความอยากนี่เวลาอยากทำอะไรแล้วไม่ได้ทำเนี่ยมันรู้สึกเหงารู้สึกว้าเวแต่พอ เรามาทำใจให้สงบได้อยู่คนเดียวกับไม่เหงากับไม่ว้าเหวกับชอบกับมีความสุขกว่าอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนนี่กับมีเรื่องมากเดี๋ยวคนนั่นก็จะเอาอย่างนี้คนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวพอไม่ได้ดังใจก็แผลงฤทธิ์กันโกรดกันเปรียดกันขึ้นมา นี่แหละคือความสุขที่ได้รับจากความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนี้เป็นความสุขที่สะอาดไม่มีความทุกข์ไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาตามมาเหมือนกับความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากความสุขที่เกิดจากการทำตามความอยากนี้มันเลื่กงมากเงื่อนไขมาก จะกินอะไรทั้อย่างนี้ยังเลือกมากเลยกา จ, จะมีความสุขจากเรื่องกิน่ถ้ากินของจำเจแล้วให้กินอีกมันก็ไม่สุขแล้วกินก็ต้องมีต้องต้องร้อนต้องสดนี่ถ้าไม่ร้อนไม่สดก็ไม่อร่อยก็ไม่สุขเองเรื่องกินเรื่องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเงื่อนไขเยอะ กว่าจะลงตัวสักทีก็เหนื่อยแล้วพอพอลงตัวปับ๊บกินปับ๊บเสร็จปับ๊บผ่านไปแล้วหมดไปแล้วความสุขนั้นก็หมดไปแล้วเหลือความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาทีนี้ก็ความความทุกข์หรือปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดความอยากแล้วทำไงว่าต้อง เอาสิ่งที่อยากได้มาน ะ, ะมันกินอาหารเสร็จอยากจะดื่มกาแฟต่ อ, อต้องหากาแฟมาดื่มอีกหาขนมเค้กมากินกนีกมันก็มีความอยากมาดึงให้เราไปหาความสุขอยู่เรื่อยๆถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งความสุขนั้นก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ ความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบนี้มันไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอะไรเลยอ ย, อยู่เรื่องเดียวเรื่องเดียวที่เราต้องมีก็คือสตินั่นเองสติที่คอยหยุดความคิดให้ได้อย่าให้มันคิดให้มันรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เช่นรู้ดมหายใจเข้าออกให้รู้เฉยๆรู้ว่ากาลังหายใจเข้าหรือว่ากาลังหายใจออกนั่งแค่นี้ รู้แค่นี้ทำามันยากเย็นตรงไหนวะนั่งดูหนังเป็นชั่วโรงยังนั่งดูได้นั่งดูลมนี่กลับนั่งดูไม่ได้ลมมันก็หายใจอยู่ตลอดเว ล, ละหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกก็เท่านั้นเองแต่ลองนั่งดูเลยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ก็ให้รู้ท่านี้อย่าไปรู้เรื่องอื่นแต่ไม่ชอบรู้เรื่องลมชอบไปรู้เรื่องคนอื่น คนนั้นมีเงินเท่าไหร่คนนั้นมีแฟนกี่คนคนนั้นไปเที่ยวที่ไหนชอบไปรู้เรื่องชาวบ้านรู้แล้วเป็นยังไงวุ่นวายไหมถ้ารู้ว่าเขาดีกับเราก็อิดช้าก็แล้วแหมมันไม่น่ามันไม่น่าจะได้เลยอย่าไปรู้เรื่องชาวบ้านรู้แล้วทำให้จิต ทุกไปเปล่าๆให้มารู้เรื่องลมดีกว่าให้ดูลมเข้าดูลมออกแค่นี้เองถ้าไม่ดูไม่ได้กันเดี๋ยวดูพุโทโธก็ได้พุโทโธท่องมันขึ้นไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะสงบแล้วจะมีความสุข ไม่มีอะไรก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อก็ไม่เดือดร้อนแม้แต่ไม่มีเงินซื้ออาหารก็ไม่เดือดร้อนใจสามารถอยู่เหนือความหิวของร่างกายได้ความสุขของใจนี้สามารถกบความทุกข์ความหิวของร่างกายได้ดูพระพุทธเจ้าอดข้าวถึงสี่เก้าวัน อดได้ไหมเราเพลงอดวันเดียวยังแทบจะไม่ได้เพราะเราไม่มีความสงบ พ, พอพอไม่ได้กินข้าวมันก็คิดแต่หิวหิวหิวอยากกินอยากกินอยเดียวแต่พระพุทธเจ้าเวลาหิวท่านก็ดูลมหายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าหายใจออกไม่ไปคิดถึงเรื่องหิวมันก็เลยไม่หิวนี่แหละอํานาจของสติสามารถที่จะทําให้เรา ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายได้ไม่ทุกข์กับเรื่องของชาวบ้านได้ใครก็จะด่าเราใครก็จะว่าอะไรเราเราอย่าไปสนใจมาดูลมดีกว่าดูลมเข้าดูลมออกไปอย่าไปคิดถึงคำด่าของเขาเขาด่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ววันนี้ยังโกรธอยู่เลยเพราะเราไปคิดขึ้นมาเองใช่ไหมเขาพูดหนเดียวแต่เรามาคิดไม่รู้กี่ร้อยจบ คอยู่นั่นเนี่ยคิดทีไรก็ทุกข์ขึ้นมาทุกทีนี่เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักควบคุมใจของเราไม่รู้จักควบคุมความคิดของเราปล่อยให้ความคิดของเราไหลเหมือนกับรถวิ่งลงเขารถวิ่งลงเขานี่มันถ้าไม่มีเบรกมันไม่หยุด่ามันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆรถไหลใชรถที่มันจอดอยู่ที่สูงนี่ถ้าเราไม่ ใส่เบรมือไว้เดี๋ยวเผลอมันก็ไหลใจเราก็เป็นเหมือนรถที่ไหลลงเขานี่แหละมันไม่หยุดเองหรอกถ้าเราไม่แตะเบรมันไม่มีวันหยุด <c oughs> เราต้องสร้างเบรกันขึ้นมานวิธีสร้างเบรกก็คือให้เราดูให้รู้อะไรอยู่สักอย่างหนะึ่ง รู้อยู่กับพุทธโธก็ได้พุทธโธนี้เราสามารถรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนเราสามารถใช้พุทธโธพุทธโธเป็นที่ดึงใจไว้ได้หรืดความคิดได้ให้เราเรานึกถึงพุทธโธพุทธโธไปถ้าเราจะใช้ ร่างกายเราเป็นที่ดึงใจไว้ก็ได้เข้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังทำอะไรอยู่เป็นตอนนี้เรากำลังฟังเทศอยู่แต่ใจเรากำลังฟังเทศอยู่หรือเปล่าหรือ ใ, ใจเรากำลังไปคิดอะไรอยู่ถ้าคนมีสตินี่เขาจะจ่อฟังอย่างเดียวคอยรับฟังอย่างเดียวรับรู้อย่างเดียวแต่ถ้าไม่มีสตินี่เดี๋ยวพูดไปนู่นแล้วเดี๋ยวจะไปไหนต่อดี เดี๋ยวจะบิ๊กเย็นนี้จะไปกินอะไรวันนี้เดี๋ยวจะไปเที่ยวที่ไหนดีหนูคิดอยู่เปล่าเดี๋ยวจะไปไหนต่อหนูไม่ได้ฟังหนูตาเทศเลยนะ น, นั่งคิดอยู่ว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะหยุดสักทีจะได้ไปต่อถ้าไม่มีสติใจก็จะไม่ได้ฟัง ใจก็จะคิดไปเรื่อยๆที่ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่ได้ฟังได้ยินเสียงแต่ไม่ได้ฟังเสียงต่างกันนะการได้ยินกับได้ฟังไม่เหมือนกั น, นคุณได้ยินแต่คุณไม่ได้ฟังก็เหมือนกับไม่ได้ยิ น, นเพราะไม่รู้ว่ากาลังฟังอะไรเพราะใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นถ้ามีความทุกข์กับคนนันคนนี้ก็คิดอยู่กับเรื่องนั้น ยังที่กาลังทำให้เราทุกข์อยู่นะยิ่งคิดยิ่งทุกข์คิดไปทำไมพอหยุดความคิดแป๊บความทุกข์ก็หายไปเหมือนกับตีะระฆังเนี่ยถ้าตีมันเสียงะระฆังมันก็ดังอยู่เรื่อยถ้าหยุดตีเสียงะระฆังมันก็หายไปเองใจเราก็เป็นเหมือนะระฆังพวกเราชอบตีใจเราตีให้มันดังตีให้มันทุกข์ คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์คิดอยู่นั่นเน่ยแล้วก็แล้วก็ทุกข์ไปกับมันเนี่ยเราจรึงต้องมาหยุดใจให้ได้หยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้แล้วความทุกข์ต่างๆมันจะหายไปความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเองใจเรามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่สุขมันก็ทุกข์เราไม่ต้องไปหาสร้างความสุขให้กับใจ แต่หยุดความทุกข์เท่นั้นเองพอหยุดความทุกข์แล้วใจมันก็สุขขึ้นมาเองเหมือนกับเสียงะระฆังเนี่ยเราไม่ถ้าเราต้องการให้มันเงียบเราก็อย่าไปตีเสียงตีะระฆังเสียงะระฆังมันก็หายไปพอมันไม่มีเสียงะระฆังมันก็เงียบใจเราก็เหมือนกันที่มันทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่หยุดทําให้มันทุกข์เราเป็นคนคอย เคาะใจเราคอยตีใจเราให้หมันทุกข์ตีด้วยความอยากพอเกิดความอยากขึ้นมานีใจทุกข์แล้วยังไม่ทันอได้ทําอะไรเลยเพียงแต่อยากนี่ก็ทุกข์แล้วถ้าอยากจะไปไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปก็ทุกข์แล้วใจนั่งแล้วก็จะโกรธก็วายคอยนั่งดูนาฬกาให้เมื่อไหร่จะเทศเสร็จทีเมื่อไหร่จะให้พอที อีบไปธุระจะไปทำนู่นทำนี่ยมีมีนิทานเรื่องหนึ่งหลวงพ่อโตวัดพรมรังสีเนี่ยท่านเคยไปเทศในวังเทศใ น, ในหลวงฟังในหลวงองค์ไหนไม่รู้สึกองค์รัชการที่ห้ามวันไหนที่ในหลวงนั่งฟังสงบนี่นั่งนิ่งนี่หลวงพ่อโตเทศเดียวเดียวสิบนาทีก็เอวังแล้ว วันไหนเห็นในหลวงขยับนู่นขยับนี่ท่านเทศยาวเลยในหลวงก็ถามว่าเอ้ยทำไมาวันที่ผมสงบนี้ท่านเทศนิดเดียวเวลาวันไหนที่ผมมีกระสับกระส่ายนี่ทำไมท่านเทศซะยาวท่านบอกก็เทศแฝงมันสงบไงแต่มันไม่สงบก็ต้องเทศใช่ไหมเหมือนหมอให้ยาคนไข้อะถ้าฉีดยาให้คนไข้สลบเนี่ยถ้าคนไข้ยังไม่สลบก็ต้อง เพิ่มยาไปเรื่อยๆนะเพิ่มไปจนกว่าคนไข้จะสลบเนี่ยการเทก่ก็การสั่งเทศก็เพื่อทำให้ใจเราสงบถ้าใจไม่สงบคนเท่ก็หยุดไม่ได้ั้นคนที่อยากจะไปไหนนี่ต้องอยากแสดงอาการอยากออกมาเพราะมันจะเทศยาวต้องพยายามถามใจ ต้องทำตัวให้สงบเพราะพอเห็นว่านั่งนิ่งๆแล้วท่านก็รู้จะเทศอะไรนะสงบแล้วนี่แหละคือการสังเษกก็เป็นวิธีทําใจให้สงบอย่างหนึ่งเพราะจะทําให้ใจเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไปคิดแล้วมันก็จะไม่สงบถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปทํานูน่ทนทํานี่มันก็จะนั่งกระสรับกระส่ายแล้ว นั่งคอยดูเวลาเมื่อไหร่จะเอวังนาทีเมื่อไหร่จะเอวเพราะมันไม่ได้ตั้งใจฟังมันไม่ได้หยุดคิดมันมูวแต่คิดเรื่องที่อยากจะไปทำพอมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจมันก็กวลกวายกระสบกระใยแต่เวลาไม่มีความอยากนี้ใจก็สบายนั่งเฉยๆได้อารมณ์ดีอารมณ์เย็นนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นถึงโทษของความอยาก โทษขงความคิดเนี่ยที่มันทําให้เราเนี่ยวุ่นวายกันแล้วการไปทําตามความอยากก็ไม่ได้ทําให้มันหายวุ่นวายมันหายเฉพาะช่วงข่าวตอนที่ได้ทําตามความอยากความอยากนั้นก็หายไปใช่ไหมพอได้ทำํำไปตามใจอยากแล้วมันก็หายไปแต่เดี๋ยวมันก็มีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมามันเหมือนกับเวลาที่ไฟเราจะดับไฟเนี่ย ถ้าเราเอาน้ำเอาน้าไปดับมันก็ถอเทเข้าไปมันก็ดับเลยแต่ถ้าเราเอาน้ำมันเทลงไปตอนต้นมันก็ทำท่าจะดับเนี่ยตอนที่เทลงไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนน้ำเทลงไปไฟมันก็จะทำท่าจะดับนึกเกือบจะดับแต่เดี๋ยวพอน้ำมันมันร้อนขึ้นมามันก็ลุกขึ้นมาใหม่การทำตามความอยากก็เหมือนกับเทน้ามัน ลงไปในกองไฟเนียดว่าเทลงไปแล้วมันจะทำให้ไฟดับมันก็ดับชั่วคราวพอได้ทำตามความอยากความกังกวลกวายกระสาบกระสายก็หายไปความสุขใจก็เกิดขึ้นใช่พออยู่บ้านเหงาพอได้ไปเที่ยวปั๊บนี่หายเหงาเลยแต่เดี๋ยวพอกลับมาบ้านอีกอา้าวความเหงากลับมาใหม่ความอยากเที่ยวเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้ก็เหมือนกัน พอเทน้ำมันลงไปใหม่ๆไฟมันก็ทําท่าจะดับนะแล้วเดี๋ยวพอน้ำมันมันร้อนทีนี้มันลุกใหญ่กว่าเก่าอีกร้อนกว่าเก่าอีกการทําตามความอยากแล้วมันจะทําให้อยากมากกว่าเก่าแรงกว่าเก่าตอนต้นได้ครึบ ก, ก็ดีใจแล้วทั้งต่อไปต้องได้ศอบนะถึงจะดีใจทั้งต่อไปต้องได้วาสมัยเด็กๆเนี่ยได้วันละเท่าไหร่ห้าสิบาท วันละไม่สิบไม่กี่สิบบาทไปโรงเรียนก็ดีใจแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยมีงานทาแล้วทีนี้วันละไม่กี่สิบบาทไม่พอใช้แล้วต้องเป็นวันละหลายร้อยแล้วถ่งเะี้ยพอใช้แล้วต่อมาเดี๋ยวนี้วันละกี่พันอนะ่ะอย่างเงี้พอใช้มันความอยากมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันพอไหมไม่เคยพอกลับมีแต่อยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่มันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเพราะไม่มีความอยากแล้วความทุกข์หายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาเองแล้วพอหยุดความอยากได้มันก็จะไม่กลับมาอีกถ้ามันกลับมามันก็เบาหัวเกว่ามันจะเบาลงไปเรื่อยๆ อนในที่สุดมันก็จะหายไปคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกสุราได้ก็เพราะว่าไม่ไปทำตามความอยากทุกครั้งที่อยากจะสูบบุหรี่ทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุราก็ไม่ไม่ไปเรื่อยๆไม่ดื่มไปเรื่อยๆไม่สูบไปเรื่อยๆต่อไปความอยากดื่มความอยากสูบก็จะหายไปแล้วทีนี้ก็อยู่เฉยๆก็สบายไม่มีอะไรมามากระตุน้น ไม่มีอะไรมันก็ตกใจอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาเจอพระพุทธศาสนาถ้าเจอฤาษีชีพัยเขาก็จะรู้เหมือนกันแต่รู้ไม่เท่าพระพุทธศาสนารู้พวกที่รู้จากนั่งสมาธินี่เขาก็สามารถาหยุดความอยากได้แต่เป็นหยุดได้ชั่วคราว เวลาที่นั่งสมาธิใจสงบความอยากก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้มันหายก็ต้องเข้าไปในสมาธิหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องไม่ให้มันคิดถึงเรื่องที่ที่อยากพอคิดถึงเรื่องที่อยากแล้วมันก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนี่คือเขารู้จักวิธีหยุดความอยากด้วยสติ แต่ก็ไม่รู้จักวิธีทําลายความอยากด้วยปัญญาถ้ามีปัญญานี้จะสามารถทําลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรเลคนที่มีปัญญาก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้วิธีที่จะทําลายความอยากให้หมดไปอย่างถาวรคือแทนที่จะไม่ไปคิดถึงมันให้คิดให้เห็นเลยว่าเวลาทําตามความอยากแล้วมันดีหรือไม่ดี ทำแล้วมันความอยากหายไปหรือเปล่าหมดไปหรือเปล่าแล้วเวลาไม่ทําตามความอยากแล้วความอยากหมดไปหรือเปล่าพราพุทธเจ้าได้พิสูจนแล้วว่าการไม่ทําตามความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะทําลายความอยากให้หมดไปต่อให้มันคิดอย่างไรถ้าเราไม่ไปทําตามมันทําตามความอยากต่อไปมันก็เลิอกอยากเองเพราะมันอยากแล้วมันไม่ได้ทำํำมันก็จะอยากไปทําไม เหมือนคนมาขอเงินเราเนี่ยอยากได้เงินจากเรามาขอเงินเราถ้าเราให้เขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มาใหม่ใช่แต่ถ้าเราไม่ให้เขาพรุ่งนี้เขาจะมาไหยอาจจะมาก็ได้แต่ถ้ามาวันที่สองก็ไม่ได้วันที่สามก็ไม่ได้แล้วเขาจะมาใช่ไมไม่มาแล่วเพราะมาแล้วมันไม่ได้มาทำไมอันนี้ก็เหมือนกันการที่เราจะทำลายความอยากให้มันหมดไปอย่างท้าวน ก็คือเราต้องไม่ทำตามความอยากแล้วก็ให้เราเห็นว่าการทำตามความอยากนี่มันพาเราไปสู่ความทุกข์มากกว่าความสุขเช่นอยู่คนเดียวเหงาอยากจะมีแฟนีคิดว่ามีแฟนแล้วจะมีความสุขเวลาได้แฟนใหม่ๆก็มันก็สุขใช่ไมแต่แล้วเดี๋ยวเวลาแฟนเปลี่ยนนิสัยไปแฟนกลายเป็นอีกคนนึงไปความสุขที่ได้จากแฟนก็หายไป ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาแทนหรือแฟนไม่เปลี่ยนแฟนเป็นคนดีแต่แฟนถูกรถชนตายต้องจากเราไป ก, ก็ต้องทุกข์ร้องห่มร้องไห้ต้องคิดอย่างนี้ถึงจะเลิกความอยากได้เพราะของที่เราอยากได้ทุกอย่างนี้มันไม่มันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนได้วันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งได้ ในวันนี้อยู่พรุ่งนี้อาจจะตายไปก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องมาทุกข์กับเขาทำไมเวลาที่เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเวลาเขาจากเราไปขี้อยู่คนเดียวดีกว่าและ ว, วิธีที่จะแก้ความเหงาจากการอยู่คนเดียวก็มาหยุดคิดหยุดอยากนี่เองพอหยุดอยากแล้วต่อไปความเหงามันจะหายไป อันนี้แหละคือเรื่องที่เราจะต้องมาทำกันให้ได้มาควบคุมความคิดควบคุมความอยากด้วยสติด้วยปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในการทำลายความอยากต่างๆทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์จนหมดสิ้นไปทำมาให้พระองค์ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือน ท, ที่พวกเรากำลัง ทำกันอยู่ในขณะนี้ชาตินี้ตายไปแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเกิดใหม่กเกิดมาทุกข์อีกชาติหน้าไม่รู้จะดีกว่าชาตินี้หรือเปล่าหรือเลวกว่าชาตินี้ก็ไม่รู้อาจจะเกิดยากจนกว่าชาตินี้ก็ได้ลำบากกว่าชาตินี้ก็ได้อาจจะสบายกว่าก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็ก พอกลับมาเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายฉนั้นเราเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่ามาหัดหยุดความอยากกันมาฝึกสติกันมาพุโทโธพุโทโธกันอยากคิดคิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดคิดแล้วทุกข์ไปคิดทําไมอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถเอาได้คิดไปทําไม ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราได้มาก็อย่าไปเอาดีกว่าเพอะได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็เสียไปเดี๋ยวก็ทุกข์อีกสู้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าเวลาไม่มีความอยากแล้วมันก็จะอยู่แบบไม่มีอะไรได้อยู่กับความว่างเปล่าได้อยู่กับความยากจนได้อันนี้แหละเป็น สิ่งที่เราต้องนําเอาไปปฏิบัติกันเพราะมพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ดับความอยากให้เราไม่ได้ดับความทุกข์ให้เราไม่ได้เพราะเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาสร้างความอยากขึ้นมาเองเราเป็นคนสร้างความทุกข์ขึ้นมาเองเราไม่ต้องทําอะไรเพียงหยุดสร้างเท่นั้นเองเหมือนคนตีะระฆังเนี่ยก็หยุดตีทักทีมันก็หมดเรื่องตีแล้วมันไม่เหนื่อยไม่เมื่อยบ้าง อยากมาไม่เมื่อยเพื่อะอยากมาเท่าไหร่ล่ะอยากมานั่งแต่เกิดจนถึงวันนี้แล้วยังไม่เมื่อยอ่ะไม่เบื่ออ่อะหยุดมันเทียู่เฉยๆนั่งเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอะไรนี่มันก็หยุดแล้วแต่มันจะหยุดได้นานากี่นาทีนะเนี่ยอย่าว่าชั่วโมงเลยกี่นาทีดีกว่า นั่งสมาธิได้ทักกี่นาทีกันนั่งเหน๋ยวเดียวไปแล้วอยากอีกแล้วคิดอีกแล้วอ น, นี่คือความสุขความทุกข์ของเราอยู่ในตัวเราอยู่ที่ความอยากหรืออยู่ที่ความไม่มีความอยากอยู่ที่มีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญา ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะต้องอยากไปเรื่อยๆทุกข์ไปเรื่อยๆเกิดไปเรื่อยๆแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีสติมีปัญญาหยุดได้ <in sub> หยุดทุกข์ได้หยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ <in> ฉนั้นพยายามไปสร้างสองตัวนี้ขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างปัญญาขึ้นมาสติก็คือให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่กับพุทโธ ร, รู้อยู่กับร่างกายรู้อยู่กับลมอย่างนี้ อย่าให้ไปรู้อยู่กับเรื่องคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ส่วนปัญญาก็ให้มองว่าการทําตามความอยากนี่มันทุกข์เพราะมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วของที่อยากได้มาก็ไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปหรือหมดไปพอเขาเปลี่ยนไปพอเขาหมดไปก็ทุกข์ความสุขที่ได้จากเขาหายไปหมดได้ในวันแรกๆวันแต่งงานนี่โอ้ยสุขกันใหญ่ปินเค้กอะไรกัน เดี๋ยวอีกสองวันทะเลาะ ก, กันแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันใช่ะหมนี่คือความทุกข์ที่เราจะต้องใช้ปัญญามองให้เห็นว่าการทำตามความอยากจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยมมันไม่ได้เป็นของเราได้มาแล้วสักวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปสิ่งที่เราได้มามันก็เปลี่ยนไปได้จากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปได้ จากการเอาใจเราก็กลับมาไม่เอาใจเราแล้วไปเราใหม่ๆรู้จักการนี้เอา อ, อกเอาใจกันพอแต่พอได้กันแล้วทีนี้กระจายใครใจมันนแล้วนี่คือปัญญาพยายามคิดอย่างนี้ถ้าเรามีสองตัวนี้แล้วเราจะควบคุมใจเราให้สงบให้มีความสุขได้ตลอดเวลา มันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุมูลธนาให้พอ่อนเอะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิด ป, ปะเมวะสมิจจโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพีติยวิวาจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวาภิวัตนสีลิะมิจจังวุทธาปจายโน จตารโหทัมมาวะทานติอายุวโนสุขังภาลาังก็ก็กำลังทำไปเรื่อยๆยังไม่เรียบร้อยก็เขาก็จะมามาปรับปรุงใหม่ทั้งเดินเนี่มันเก่าหมดแล้วก็คง าทางต่างๆนี่ต่อไปก็ทำใหม่พอมันสาสิบปีมาแล้วปูนมันเริ่มเสื่อมแล้วก็ไลยมีคนศรัทธาก็ามาทำให้ก็เห็นญาติโยมชาบไปนั่งตรงนั้นก็เลยทำให้มันกว้างขึ้นมีแค่นั่งเหมือนโรงออปเปอรานะ่ามีที่นั่งโงหนังมีที่นั่งดูหลายระดับนะ ไ, ได้ได้ก็เสร็จก็นั่งได้มไม่เป็นไรคนนี่ยหลังคาหลังนู้นก็ยังนั่งกันได้นะ <c oughs> มไม่ได้สูงต่ำ น, น, นั่งได้ก็มีคนนั่งกันสูงไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้อยู่อาคารเดียวกัน <c oughs> ถ้าอยู่ตรงนี้มันไม่ไดนะ้แต่อยู่ที่อื่นนี่ยังก็นั่งเครื่องบินข้าม <c oughs> วัดว่าไม่ได้เลยเวลาเวลาเวลาบินนี่ก็ต้องคอยอ้อมวัดเลยนะ ก็ส okay. so, so so so ูงมากเลยขึ้นเครื่องอ่ะสูงกว่าพระไม่สูงกว่าพระพุทธรูปนะเออไม่หรอให้มันรู้จักขอบเขตอมันไม่ได้เป็นถือว่ามันไม่ได้เป็นส่วนเดียวกันแยกส่วนกันไปก็แล้วแต่คนจะถ้าถ้ากลัวสูงก็หาที่ต่านั่งก็ได้ที่ต่ําก็มี วันนี้เฟสเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ผมสุด336ผักทางยูทูบ73ค่ะ2 <23. S> 3 <c oughs> มีขาประจำเข้ามาอย่างเชียงชาลานสีลังกาทอนนี่วอมิโอลาสเวกัสแล้วก็ทอมัสแอนมอริสเนสติฟฟนมอริสจากอังกฤษ อ, อังกฤษแล้วแจ้จากแคนาดา กำลังนอนอยู่หะเต้นน่นเหรอไม่ปลุกเขาเลย <c oughs> วันนี้เขาบอกให้ปลุกเขาอทอเขาที่แล้วพามาหาแล้วบอกที่ทำงานดีได้อยากมาตอนนี้แท่ก็ตีสามตีสี่แล้วเ น, วนี่นน 3, นออ ย, ยน่าจะตีสามั้ง <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกตาม เขาก็เขาก็ดูในเฟ e b o o k ได้เขาเปิดดูได้แต่เพิ่นส่งข้อความเขียนข้อความได้ถ้าดูเฟ e b o o k อยู่ก็พิมพ์ข้อความเซย์โหลเข้ามาก็ได้มีใครอยากจะถามอะไรไั้มในคนที่นี่ม่ก็ชอบถามนะันแต่คนที่บ้านนี่ชอบถามยาเยอ้ <c oughs> คุณจะเพิ่มไปจเรื่อยๆหรือว่าเราปเาป็นในสามเวลาแบบนี้เอามันทั้งวันเลยไม่ต้องทำอย่างอื่น <c oughs> แต่เอาแต่เดินจงกรมก่อนนั่งสมาธินั่นคือเป้าหมายเต็มเต็มที่ของมืออาชีพถ้านั่งแล้วเมื่อยก็เดินเดินแล้วเมื่อยก็นั่งแต่ทำอะไรก็เท่าที่จำเป็นจริงๆกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำกินอาหารอะไร คือพยายามตัดกิจกรรมอย่างอื่นไปให้หมดเลยมันไม่เป็นประโยชน์เอากิจกรรมที่เป็นประโยชน์คือการเเจริญสติสมาธิปัญญานี่ดีกว่าเดิน เ, เดินก็ให้มีสติไม่ใช่เดินแบบใจลอยเดินบริกรรมพุทโธไปแล้วดูก้าวดูการก้าวเท้าก็ไดาซ้ายขวาซ้ายขวาไป อ, าอย่าให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเมื่อยก็ลงมานั่ง นั่งก็นั่งไปนานๆดูลมหายใจก็ได้คุดโธก็ได้นั่งจนกว่าจะนั่งไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ทอานี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะนั่งได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นสติจะดีขึ้นใจจะสงบมากขึ้นแล้วต่อไปก็นั่งให้มันผ่านทุกขเวทนาเวลามันเจ็บก็อย่าลุกพยายาม เอาสติกำกับใจไว้ให้ปริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บนะเดี๋ยวความเจ็บจะไม่มาลบกวนใจอย่าไปนั่งแล้วดูความเจ็บอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วอยากให้ความเจ็บหายไปแล้วมันจะทรมานใจอย่าไปให้มันคิดถึงความเจ็บนะให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วความทรมานใจมันจะไม่มันจะไม่มี แล้วมันจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้ะถ้าตอนที่นั่งเราเจ็บมันก็จะไม่ค่อยสงบแล้วเพราะว่าเราจะจรู้สึกกัง ว, วลกวังวลมากขึ้นให้สลุกให้สู้สร้างความดับความกังวลกวังวลด้วยควาําบาลีคำพุทโธพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปสักพักเดี๋ยวกังวลกวังวลก็จะหายไปใจก็จะสงบแล้วจะอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บมันก็ อาจจะเบาไปโดยที่ความจริงมันไม่ได้เบาเพียงแต่ว่ามันใจเราไม่ได้ไปขยายมัน่ะใจเราเวลาอยากนั่นเอมันจะไปขยายมันว่ามันยิ่งเจ็บใหญ่เจ็บใหญ่แต่พอเราหยุดความอยากได้ให้อยู่กับพุโทโธได้มันก็ไม่ไปขยายความเจ็บความเจ็บก็เลยรู้สึกเหลือนิดเดียวออยู่ก็ปีที่แล้วก็ป่วยทุกปีแล้วก็เคยเข้าสมาธิได้แล้วเข้าไี่ได้ ก็เลยแล้วก็จากหาพวกเจ้าหลๆว่าเนี่ยเริ่มจะเข้าได้แล้วเราทุกข์มากที่เข้าไม่ได้เคยทําได้ก็ทาไม่ได้แบบนี้หนืหลือทําได้ที อ, อยู่ก็มา ใ, ใกล้ๆอย่างเงี้ยทีกวันทุกวันรู้สึกใกล้ๆเลยทับซึ้งมากค่ะเพราะเวลาที่เราอยากแล้วมันจะเข้าไม่ได้อยากจะให้มันเข้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วเข้าได้วันนี้อยากให้มันเข้าเหมือนเมื่อก่อนยิ่งอยากยิ่งเข้าไม่ได้ะ ต้องลืมความอยากไปแล้วให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปไม่ต้องไปสนใจว่าจะเข้าได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้มีพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือพุทหรือดูลมหายใจไปอ้วเดี๋ยวมันจะเข้าเองแต่ถ้าไปอยากแล้วมันจะเหมือนกับไปขวางขวางมันอดีแล้วล่ะแล้วพยายามรักษาไว้นั่นเดี๋ยวพอเข้าได้แล้วก็ประมาทอีกเลิกนั่งอีกะเอ่ะ พอเข้าได้แล้วเดี๋ยวก็คิดว่าเก่งแล้วไปเล่นไปเล่นต่อไปเที่ยวต่อไม่เอาเลยตั ว, ต, ว <c oughs> ตัวหายพวกนี้มันหายได้นะถ้าปฏิบัติแล้วหลวงตาต้องบอกว่าเวลามันไม่มันไม่มีมันไม่ทุกข์เหมือนกับเวลามีแล้วมันหายไปนะ ะ, ะเวลามันมีแล้วหายไปนี่เราอยากจะได้คืนนี่แม้ว่มันทุกข์เล้วเกิแต่ตอนที่ยังไม่มีนี่มันยังไม่ทรมานเหมือนกับตอนที่มีแล้วหมดไปเนี่ยอื งานเพราะความอยากอยากอยากได้คืนมาต้องพยายามจับประเด็นให้ได้ว่า<ะ>วิธีไหนทำให้เราสงบส <ะ S 1> แล้วพยายามรักษาวิธีนั้นไว้ ท, ทำให้ใจเรามีสติเนี่ยมาที่นี่มันก็มาฟังเทศฟังธรรมฟังคำถามปัญ ห, หาทาปัญหาธรรมต่างๆ แทนที่จะไปนั่งคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงที่เที่ยวที่ที่เล่นคิดถึงกระเป๋ารองเท้าคิดถึงเสื้อผ้าอะไรต่างมันก็มาฟังเรื่องนี้เรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องสมาธิควยั้นมันซึมากเลยอี <c oughs> เรื่องตับไปได้แล้วอ่ะหนูคิดถึงที่ท่านให้กำลังใจหนูเ่าหนูยังสติหายทิ้นไายเลยหนูทานี่ได้ดูแก อะะตอนนี้ตอนนี้เจอสติแล้วนะหายไปอาจารย์นั่งสมาธแล้วพิงพไม่ไม่ดีหรอกพิงก็มันจะสบายแมันจะหลับมันจะหลับสติมันจะเผอง่ายชอบเพิ ง, พงแล้วต้องไปนั่งที่มันนั่ง ก, กลัวยิ่งดีสติยิ่งดี ถ้าไปนั่งที่น่ากลัวน่ากลัวนี้มันจะไม่มันไม่ค่อยเผลอถ้ามันนั่งที่สบายอยางี้เดี๋ยวมันเผลอหลับไปเดี๋ยมันจะเป็นนั่งหลับไปไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วก็ดีใจโอ้วันนี้นั่งได้ต้องชั่วโมงแต่นั่งไม่รู้นั่งหลับ <c oughs> ถ้าสงบบนี้มันจะรู้ตลอดเวลารู้ว่าตอนนี้สงบแล้วตอนนี้มีความสุขแล้ว แต่ถ้านั่งหลับมันไม่รู้มันรู้เพลงแต่ น, นั่งอย่างเงี้ยถ้าขอภาพอะไราก็สแสดงว่านั่งหลับเลยพยายามนะสตินี่ของวิเศษนี่มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองเป็นรนะ้อยล้านพันล้านวันนี้ก็ขออนุญาตบอกคอ น, นเทนต์แจ้เขานะค ะ, ะแจ้เขาก็ประซับซึ้งที่บ้านที่บ้านหนูแล้วก็บคัวเจ้าสบซึกับท่านเจ้ามากเลยที่แบบ ที่ท่านคอยดูแลแล้วก็ให้กําลังใจอะค่ะคือแจ้เขาก็เขาก็ถือปีสามเขาก็ยังอยากเห็นหน้าแล้วคุยกับพระคุณท่านระวังอย่ามาติดเราได้ไหมติดแล้วแล้วเดี๋ยวเกิดไก็คือเป็นกำลังใจเดี๋ยวเราเรามันมีแฟนหลายคนนะบอกรู้ก่อนไม่ได้ไร้ไม่ใช่เดี๋ยวจะมาครอบครองว่าเป็นแฟนของเธอก็ต้องระวังนะเพราะมีบางคนก็หลงรักเราติดเราให อา้ารย์ทำไงคะพี่ครูบาอาจารย์ทำไงก็ทำเงินไม่ได้ก็อยู่ที่เขาพอเราไปคุยกับคนอื่นเขาก็อิจฉาแล้วพอไม่คุยกับเขาเขาก็อิจฉาเนี่ยก็เราไม่มีอะไรกับใครทั้งหมดนะไม่มีอะไรอย่ามาคิดเลยเราเราเรามาบวชแล้วเราทิ้งของพวกนี้หมดแล้วเราก็ให้ความเมตตากับทุกคนแต่อาจจะหนักเบาต่างกันตามตามกรณีของ คนไข้คนไข้บางคนก็ไข้หนักก็ต้องให้ยาหนักหนให้เวลามากหน่อยคนไข้บางคนไม่โรคไม่หนักก็ใ ห, ให้ยานิดหน่อยให้เวลานิดหน่อยก็กใช้ได้แล้วนั่นจะบอกว่าต้องให้เวลาเท่ากันเหมือนกันทุกคนนี่ไม่ไม่ไหวไม่ได้ก็อย่ามาสนใจคนให้สนใจทำนะเรามาหาทาไม่ได้มาหาคน คนนีเป็นเพียงบุรุษไปชนีเอาคำสอนของพระเจ้ามาฝากพวกเราอย่าไปติดบุรุษไปชนีให้ติดจดหมายเวลาบุรุษไปชนีมารีบรับจดหมายแล้วก็ไล่ไปบุรุษไปชนีไปได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าใจผิดจะจะเสียใจได้ ก็ไม่มีอะไรก็พอดีจังหวะมันมีเหตุให้พูดก็เลยพูดออกมาหน่อยมีคำถามอะไรเข้ามาไหมคำถามในยินบ็อกอยากผู่ม่ประสงออกนามค่ะในเมื่อจิตใจไม่มีตัวตนไม่มีเพศชายหรือเพศหญิงเพียงแค่จิตไปยึดเอาว่าเป็นชายหรือหญิงและผู้ที่มีนิสัยชอบเพศเดียวกันเช่นกระเทยหรือเกย์ทอมสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ได้ไหมครับได้ไงเพราะว่าจิต มันก็มีความอยากเหมือนกันเกก็มีการมะตัณหาความอยากในรูปเสียงกยลิ่นรสผู้หญิงผู้ชายก็มีความอยากเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป้าหมายของความอยากมันต่างกันนันเองเป้าหมายความอกของผู้หญิงก็คือผู้ชายเป้าหมายความอยากของผู้ชายก็คือผู้หญิงเป้าหมายของเกก็พวกเดียวกันชอบเพศเดียวกันก็ท่านนั้นเองมันอยู่ที่เป้าหมายที่ต่างกันแต่ตัวอยากนี่เหมือนกัน อยากจะมีแฟนเหมือนกันอยากจะมีแฟนเอาว่าไงพระเอกเออมาคร<า>ับ<า>อ่าสวยวหยเก่ง<า>คำถามทาง YouTube จากคุณชัยสลามคุณค่ะข้อหนึ่งความบังเอิญมีจริงไหมคะอ้าวมันก็บังเอิญอยู่เยอย <laughs> บางทีเราจะทำอะไระคิดอะไรวันก่อน ลูกศิษย์ก็ำลังคิดถึงหนังสือสุภาเราก็บังเอิญไปหยิบมาให้เขาพอดีอันนี้ไม่รู้บังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมกําลังคิดอยู่พอดีเลยอยากจะได้หนังสือสุภาอยากจะพิจารณาสุภาพอดีเราก็ไปเปิดดูในกุฏิเราพอดีเห็นมีหนังสือสุภาอยู่สี่ห้าเล่มมันก็เลยหยิบออกมาบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู ปัญาที่มันร้อยเมตรอากระสราจิตเราวนี่มันเหมือนเหมือนกับโทรศัพท์มือถือน่ะมันกระจายออกไปจากเครื่องอ่ะใครมีใครมีเครื่องรับก็รับได้แฮกได้ก็เข้ามาได้แฮกเข้ามาในเครื่องเราได้ยังเรียกว่าบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้ พูดแล้วทําให้มีผลกระทบต่อผู้อื่นในทางที่ดี 50% และมีผลกระทบในทางที่ไม่ดี 50% เรวควรจะพูดหรือควรไม่พูดดีคะขอคําแนะนําค่ะก็ทํำ50 50ก็พูดก็ได้ไม่พูดก็ได้เพราะว่ามันก็มันก็เท่าเดิมได้ครึง่งเสียครึง่งถ้างที่ดีก็อย่าอย่าไปพูดดีกว่าถ้ามันเสียอย่าไปพูดดีกว่า เอาเอาส่วนที่ดีถ้าพูดแล้วมันไม่ดีก็อย่าไปพูดดีกว่าคำถามจาก Facebook Live คาถามจากคุณปาข้อที่หนึ่งที่ชันอายุเจ็ดสิบปีแล้วอาการปวดเขา่าปวดหลังบ้างไม่สะดวกในการนั่งพับเพียกสวดมนต์จึงใช้วิธีนอนสวดมนต์และทำสมาธิก่อนนอนไปด้วยจะถือว่าทำผิดไหมคะก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะทาได้น้อย มันอยู่ในท่าสบายทำไปสักพักเดียวมันก็ง่วงหลับถ้าอยากจะทำเยอะๆมันก็ต้องนั่งแต่ถ้านั่งไม่ไดก้ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปข้อที่สองได้ฟังเทปทรมั่มาสองสามปีแล้วพอเข้าใจทฤษฎีขั้นตอนต่างๆแต่ไม่มีเวลาปฏิบัติแบบจริงจังได้แต่ตามรู้ตามดูสภาวะของจิตที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตประจาวัน ก็รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นถ้าปฏิบัติได้เท่านี้ถือว่าพอใช้ได้ไหมคะหรือพระอาจารย์คิดว่าควรเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมคะมันก็เหมือนว่าถ้าตอนนี้เรามีเงินล้านแล้วเราพอใจหรือยังก็อยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเรามีเงินล้านแต่เรามีโอกาสที่จะได้เป็นสิบล้านนี่เราจะเอาไม่เอ า, เอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันตอนนี้เราได้ใ น, ในระดับสิบเอซนยี่สิบเปอร์เซนต แต่เราสามารถเพิ่มให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นตได้นี้เราเราจะเพิ่มไม่เพิ่มก็อยู่ที่ตัวเรางนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่แท้จริงก็คือต้องการให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นก็แล้วแต่ว่าจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะมีภาระผูกพันเช่นครอบครัวลูกเต้า ก็ยังไม่สามารถที่จะไปถึงจุดนั่นได้ก็ต้องอาจจะรอเวลาไปก่อนหรืออาจจะหาวิธีย่นเวลาขึ้นมาฝากลูกให้กับใครยกลูกให้ใครไปยกสามีให้ใครไปยกสมบัติให้ใครไปมันก็จะย่นเวลาได้เพราะว่าเวลาของเราก็ไม่แน่นอน ถ้าเราจะมารอว่าให้ทุกอย่างให้ลูกโตขึ้นให้อะไรทุกอย่างลงตัวนี่เราอาจจะเป็นอะไรไปก่อนก็ได้อาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเป็นอะไรขึ้นมาหรืออาจจะตายไปก็ได้ถ้าตายไปเราก็เสียโอกาสอันดีการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เหมือนกับการได้ถูก ร, รัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่เรายังมัวโอเอไม่ยอมไปขึ้นรางวัลแล้วเดี๋ยวเกิด ร, รัตตอรี่หายไปก็ ไม่ได้ขึ้นรางวัลพอเกิดร่างกายนี้เป็นอะไรไปตายไปก็เหมือนกับไม่มีไม่มีโอกาสได้ไปนิพพานและวกลับมาชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าได้จะมาเจอาศาสนาอีกหรือเปล่าถ้าไม่ได้เจอาศาสนาก็เหมือนกับไม่ได้ถูกคอตเตอรี่แต่มาเป็นมนุษย์แล้วได้มาเจอาศาสนานี่เหมือนกำลังถูกคอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราถูกคอตเตอรี่วันที่หนึ่งเราจะเก็บคอตเตอรี่ไว้ทําไมใช่ไหมเราก็รีบไปขึ้น เปลี่นเป็นงินไม่ดีกว่าไปเก็บไว้ในตู้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นโชว์นี้ยมันปีประโยชน์อะไรต้องรีบไปขึ้นรางวัลต้องรีบปฏิบัติปฏิบัติให้มากให้มันขึ้นรางวัลให้ได้ให้เต็มที่เลยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควรจะคิดกันแบบนี้เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจ แล้ให้เราเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่ความสุขที่เรามีจากครอบครัวจากข้าวของเงินทองกับความสุขที่จะได้จากการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยน้ําตาจะไม่ต้องมาหลังอีกต่อไปไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพรก็เราจะสามารถดับความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้หมดไปจากใจได้ ด้วยการปฏิบัติทำให้มากขึ้นไปตามลาดับยนันอยู่ที่อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองว่าพอใจกับการปฏิบัติหรือไม่หรืออยากจะได้เพิ่มถ้าพอใจระดับนี้ก็ก็แล้วไปเพราะไม่มีใครที่จะมาะบังคับเราได้เราจะต้องเป็นผู้ที่บังคับตัวเราเองค่ะคำ ถ, ถามจากคุณวุฒิพง เราควรจะหลีกเลี่ยงวัดปา่าที่บอกว่าเป็นสายหลวงปู่มั่นแต่สร้างวัตถุเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระทองคําหลายกิโลถวายเงินพระเทระผู้ใหญ่ที่จะมางานองค์องค์งละห้าหมื่นญาติโยมมาไม่พูดเรื่องภาวนาเพแต่เรื่องการสร้างวัตถุหรือไม่ก็ตามใจเราเราชอบอย่างไรเราก็เราก็ไปหาอย่างนั้นเราไม่ชอบเราก็อย่าไปมันก็เป็นเรื่องของตลาดสินคา้าเอ เหมือนเราไปเดินของเดินตามห้างเนี่ยเขาก็มีสินค้าหลากหลายชนิดชนิดไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ไปซื้อเราก็ไปซื้อชนิดที่เราชอบถ้าเราชอบภาวนาชอบฟังธรรมเราก็ไปที่ที่ก็มีการภาวนามีการฟังธรรมถ้าเราชอบการสร้างวัตถุสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆถวายเงินถวายทองให้กับ ถ้าผู้หญิงผู้ใหญ่เราก็ไปที่วัดแบบนั้นค่ะคำถามจากคุณปายงเรื่องการสวดมนต์รำมาจักกัปนวสูตรสว่วนในบ้านได้ไหมคะได้สวดที่ไหนก็ได้ในห้องส้วมันยังสวดได้เลยเพียงแต่ว่าอย่าไปออกเสียงนั่นท่านอยู่ในห้องส้วมคนไม่รู้ <c oughs> เขาจะหาว่าเราไม่เคารพแต่การสวดนี่ก็เพื่อเป็นการกล่อมใจเหมือนการพุโทโธนี่แหละ พุทโธนี้เป็นการฝึกเป็นสร้างสติไงการสร้างสติพุทธเจ้าบอกว่าจําเป็นในทุกกรณีแม้แต่เข้าห้องส้วมก็ต้องมีสติถ้าไม่มีสติเดี๋ยวก็ลื่นหดลื่นหกล้มได้งั้นการมีสตินี้มีได้ทุกแห่งทุกคนการสวดมนต์นี้ก็เป็นอุบายของการสร้างสตินี่เองเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําให้เหมาะกับการละเทศะถ้าเราออกเสียงให้คนเขารู้เราก็ต้องส่วนในที่มันเหมาะสม เช่นนั่งอยู่พระหน้าพระพุทธรูปแล้วนั่งอยู่ที่มันเหมาะสมก็ค่อยสวยดไปแต่ถ้าสวดภายในใจนี่เราสามารถสวดได้ทุกแห่งทุกหนทุกเวลาคำถามจากคุณปาคุณแม่ผมอายุเจ็ดสิบปีแล้วอยากถือ48แปดแต่ก็ติดขัดตรงการรับประทานอาหารวันละหนึ่งมือ้อเกรงว่าจะทำให้สุขภาพไม่ดีจนทนไม่ไหวจึงอยากขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ว่าจะแก้ไขอ ย, อย่างไรดีครับ ออก็ต้องเลือการะหว่างสุขภาพกายกับสุขภาพจิตแลรักษาสิ้นแปดให้เพื่อสุขภาพจิตให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็ช่างหัวมัน เ, นเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเจ็ดสิบแล้วจะไปอะไรกับมันอีกแต่จิตของเรานี่ไม่มีวันตายถ้าเรารักษาสิ้นแปดได้ชาติหน้าเราก็จะเกิดดีกว่าชาตินี้ไปเป็นพรหมได้ คุณวุฒิคงทําไมจิตจึงรู้เมื่อจิตมันหยุดนิ่งจะแยกระหว่างจิตกับรู้รกับการคิดคาดคะเนได้อย่างไรถ้ามันคิดมันก็เป็นความคิดเนี่ยความคิดมันก็จะเป็นความคิดคาดคะเนก็ได้คิดคิดตามความจริงก็ได้แล้วแต่จะคิดกันทําไมก็ถามเลยเมื่อกี้ฟังไม่เข้าใจวันนี้ถามใหมอีกที ทำไมจิตจึงรู้เมื่อจิตมันหยุดนิ่งจะแยกระหว่างจิตรู้กับการคิดคาดคะเนได้อย่างไรคือจิตนี้มันทํามั น, ม, ม, น ม, มันมีทําหน้าที่สองส่วนคือรู้กับคิดไงรู้นี่มันก็รู้อยู่ตลอดเวลาคิดก็คิดอยู่ตลอดเวลาสําหรับคนที่ไม่หยุดคิดเแต่คนที่หยุดคิดได้ก็ก็สามารถที่จะหยุดเป็นพักๆได้แต่ตัวรู้นี่หยุดหยุดรู้ไม่ได้ ตัวรู้นี่มันจะรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ตัวคิดนี่เราสามารถใช้สติหยุดมันได้เป็นช่วงๆเวลาเราเข้าสมาธิจิตสงบไม่คิดอะไรก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ตัวคิดเนี่ยมันเหมือนกับร่างกายเรามีด้านหน้ากับด้านหลังพูดอย่างนี้ก็แล้วกันจิตมันก็มีด้านคิดกับด้านด้านรู้ตัวเดียวกันไม่ใช่สองตัวแต่บางทีเราก็แยกเป็นสองชื่อจิตกับใจ จิตคิดใจรู้เนี่ยก็จะไหวใจเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้คิดแต่มันเป็นตัวเดียวกันไปด้วยกันอยู่ที่ไหนไปทุกแห่งทุกคนไปด้วยกันเหมือนฟ้าแฝดก็แล้วกันที่เราหยุดพอเราหยุดคิดเราก็จะเห็นตัวรู้เพราะเวลาถ้าเราคิดมันเราก็จะไม่เห็นตัวรู้เพราะตัวคิดมันจะมาบาังไว้เป็นเหมือนเงาที่จะมาบังตัวตัวรู้ไว้งั้นถ้าอยากจะเห็นตัวรู้เราก็ต้องหยุดคิด แล้วเราจะรู้ว่าการอยู่กับตัวรู้นี่ดีกว่าอยู่กับตัวคิดเพราะตัวรู้อยู่กับตัวรู้นี่มันเย็นมันสบายถ้าอยู่กับตัวคิดแล้วมันวุ่นวายถ้ามาปฏิบัติต่อไปเราก็จะพบกับคําว่าที่พระเจ้าบอกให้สักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆดีกว่าใครจด่าก็ให้รู้ว่าเขาด่าก็พออย่าไปคิดว่าเขาโกรธเราเกลียดเร า, เ ข, เ, ราเขาไม่เคารพเราก็าไม่รักเรา พอไปคิดอย่างนั้นจะทำให้เกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้เฉยๆรู้ว่าด่าก็ดาก่ดาไปรู้รู้แล้วก็จบไ ม, ไม่ไม่เอาไปปรุงต่อใจก็จะไม่ร้อนใจก็เย็นสบายคำ ถ, ถามจากคุณอาจารย์งามค่ะการอธิษฐานบา ร, รมีที่แท้จริงไหมพระพุทธศาสนามีจุดประสงค์อย่างไรเจ้าคะ อ, อธิษฐานทางศาสนาหมายถึงการตั้งเป้าหมาย ตั้งว่าเราจะทำอะไรนี่คือว่าอธิษฐานตั้งใจวันนี้จะมาที่นี่ได้เราต้องตั้งใจก่อนใช่ไหมอย่างแจน้นีตอนนี้อยู่ที่นั่นตั้งใจจะต้องมาที่นี่ให้ได้ก็เลยต้องตื่นตอนนี้อยู่ที่นั่นตีสามถ้าไม่ตั้งใจตื่นมันก็ตื่นไม่ได้นี่คือคำว่าอธิษฐานคือความตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ความหมายนันมันกลายเป็นสองความหมายละความหมายเดิมของทางศาสนานี้แปลว่าความตั้งใจแต่คนไทยเรามาแปลให้กลายเป็นขอนน่นขอนี่ไปขอให้ได้รวยขอให้ได้เงินขอให้ได้แฟนขอให้ได้เรียนจบขอไปหมดถ้าขอได้ตอนนี้ก็รวยกันไปทุกคนแล้วใช่ไอมไม่มขอไม่ได้หรอกมันต้องตั้งใจว่าตั้งใจเรียนให้ดีตั้งใจเรียน พอตั้งใจเรียนแล้วเดี๋ยวมันก็เรียนจบตั้งใจทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองไว้เดี๋ยวมันก็รวยอยู่ที่ความตั้งใจอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจไม่ใช่แปลว่าขอครับถามจากคุณคุณการเดินทางไปทําบุญตามที่ต่างๆที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์ช่วยเสริมบุญได้จริงไหมคะ มันไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนแล้วว่าบุญเกิดอยู่สิบชนิดด้วยกันวิธีสร้างบุญคือทานศีลภาวนาอุทิศบุญอนุโมทนาบุญฟังเทศฟังธรรมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาทาระวะรับใช้หรือช่วยเหลือผู้อื่นมีความเห็นที่ถูกต้องนี่เรียกว่าบุญ การไป ส, สานที่ศักดิ์สิทธิต์ต่างๆนั้นถ้าเป็นสังเวชนสีสถานสี่ก็เป็นการเสริมศรัทธาบางคนยังไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พอได้ไปดูที่เกิดดูที่แสดงธรรมดูที่ตายก็จะทําให้เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงจะเรียกว่าศรัทธาเป็นบุญอย่างหนึ่งก็ได้มันก็ทําให้เราจะได้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนนี้มีผลตามที่พระเจ้าบอกทําบุญแล้วตายไปได้ไปสวรรค์อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรามาทําบุญกันทําให้เราไม่ทําบาปกันเพราะทําบาปแล้วเราจะต้องไปนรกไปอบายกันอันนี้ถ้าไปสถานที่เหล่านั้นแล้วทําให้เกิดศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือว่าดีเป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับไปเชื่อเรื่องอ เรื่องเครื่องรางของขังเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆก็อย่าไปดีกว่าเพราะอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆนี้ไม่สามารถที่จะพาให้เราไปสวรรค์ได้หรือพาให้เราไปนิพพานได้ให้เชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์คาถามจากคุณก็ข้อที่หนึ่งอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องเจตสิกให้ฟังครับ ไปเปิดดูก็แล้วกันเนี่ยไปเขียนเข้าไปในเจ google เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเนี่ยมือถือตอนนี้ลองใส่เข้าไปได้เลยเราก็ไม่ได้เป็นนักศึกษาทางนี้ด้วยเลยไม่ไม่กล้าพูดมากพูดแล้วเดี๋ยวพูดผิดข้อที่สองอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการดับของสัญญาให้ฟังครับอ๋อสัญญามันเกิดดับเกิดดับเนี่ยบางทีเราก็จําได้บางทีเราก็จํ า, าจไม่ได้ ก็แล้วสัญญาไม่เที่ยงนานๆถ้าไม่ได้เจอกันมันก็ลืมได้ถ้าเจอกันทุกวันมันก็มันก็ไม่ลืมเพรนสัญญามันก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยบางทีมันก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้คุณวัดแจ้งมาว่าที่พระอาจารย์เทสถึงสมเด็จโตเทศให้ในหลวงฟังคือรัชกาลที่สี่ อาราชการที่สี่สาธุอนุโมทนาให้แม่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะบางทีเราก็ไม่แม่นในเรื่องข้อมูลหอหล่นี้คำถามจากคุณอารีพรเคยทับลูกหมาจรตัดตายเพราะแม่มันมาคลอดลูกใต้รถแต่ไม่รู้มาก่อนออกจากบ้านไปแต่เช้ามาถึงมาถึงเย็นถึงได้รู้ไม่ทราบว่าบาปมากไหมคะชาติหน้าต้องเกิดเป็นหมาชดใช้กรรมหรือเปล่า คงไม่ต้องมั้งเพราะเราไม่มีเจตนาไปทําทำร้ายเขาก็เรื่องเป็นอุบัติเหตุไปเหมือนกับลูกมะพร้าวหล่นลงมาทับมันตายอย่เงี้ยมันก็เป็นเป็นวาละของมันเป็นการสิ้นสุดของมันคําถามจากคุณโจถ้าดื่มวายหนึ่งแก้วตอนทานอาหารไม่ได้ไม่ได้มีการมึนเมาถือว่าผิดศีลไหมครับผิดผิดผิดมากผิดน้อย ดื่มจนมามันก็ผิดมากเพราะพ อ, พอดืมแลามสติมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆพอสติน้อยโอกาสที่จะทำบาสมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคำถามจากคุณนันทนาตั้งแต่เช้ามาฟังธรรมที่วัดทำให้เราไม่อยากจะคุยอะไรกับใครไม่อยากสังคมกับใครไม่อยากรู้เรื่องอะไรของใครไม่อยากไปเที่ยวไหนๆกับใคร จนเพื่อนๆหรือยาติญาตพี่น้องเคยสั่งสรรค์เฮฮากันเขาว่าเราไม่เอาพี่เอาน้องเพื่อนถุงเราควรทําอย่างไรดีคะจึงจะพอดีก็เราต้องเลือกว่าความพอดีของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตัวเราหรืออยู่ที่ตัวเขาถ้าอยู่ที่ตัวเขาก็ต้องทําตามที่เขาพูดถ้าอยู่ที่ตัวเราเราก็ทําตามที่เราทําอันไหนมันดีกับเราเราก็ทําไปคนอื่นจะพูดอะไรมันก็เรื่องปากของเขาใช่ไหมเวลาเราทุกข์เขามาทุกข์กับเราหรือเปล่า เพราะถ้าเราสุขแล้วก็ทุกก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราไม่ได้ไปทําให้เขาทุกเท่าไหร่เก็อยากจะทุกเองก็ช่วยไม่ได้ครับ ถ, ถามจากคุณนาโนอารูปธรรมกับพระนิพพานแตกต่างกันอย่างไรครับอ๋อรูปพรรมมันชั่วคราวมันสงบชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เสื่อมได้ยังเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่แต่นิพพานนี่มันสงบแบบไม่ไม่เสื่อมถาวร ค <c oughs> ำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามสามีชวนถือสีลแปดมาเกือบสี่ปีแล้วทุกวันกลางคืนจะชวนกันนั่งสมาธิไม่ยุ่งกันแต่ทำไมโยมยังห่วงสามีเวลาเขาเป็นอะไรนิดหน่อยต้องพิจารณาอะไรคะเพรเรายังรักเขาอยู่ยังอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาสักวันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดทากจากกัน ถ้าเราคิดบ่อยๆแล้วเราก็จะทำใจได้แล้วเราก็จะไม่ห่วงเขามากเกินไปคำถามจากคู่แม่ตระสงออกน้ำตอนไปภาวนายาวห้าวันเดินจงกรมสลับนั่งทั้งวันไม่เปิดโทรศัพท์เลยจิตสงบจริงๆค่ะจิตมีความสุขอยู่ในตัวเองช่วงนี้วันหยุดยาวๆจะไปภาวนาบ่อยๆ ไ, ไปไฟเที่ยวแล้วตอนนี้ก็ออกไปเดินจงกรมที่มืดแล้ว เ, ออเดี๋ยวหยุดวิสาขานี้จะไปภาวนาต่อต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ทำอย่างที่เราเคยทำทำให้มันมากขึ้นก็แล้วกันถือสีนเก้าไม่ศีนแตดไม่พอต้องสีนเก้าใช่ไหมเบ็ด <c oughs> ม, มือถือค <c oughs> ําถามจากคุณเฉลิมพล ที่สัปยะมีความจำเป็นในการสร้างความสงบจากการนั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นไหมครับแน่นอนที่ไหนสงบมันก็จะทำให้ใจสงบง่ายขึ้นที่ไหนไม่สงบมันก็มารบกวนใจเช่น อ, อยู่ที่บ้านมีเสียงมีคนกินข้าวมีอะไรต่างๆดูดูทีวีอะไรเวลาจะทำใจสงบมันก็ยากแต่ถ้าไปอยู่ที่ไม่มีคนดูทีวีไม่มีคําส่งเสียงน้องนาทาเพลง ไม่มีใครกินข้าวมันก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจก็จะทำให้ใจสงบง่ายขึ้นท่านพูดไว้ว่ากายวิเวกแล้วก็จะทำให้จิตวิเวกวิเวกก็คือส ง, สงบสงัดวังเวงวิเวกพอสถานที่วิเวกใจมันก็จะวิเวกตามคำ ถ, ถามจากคุณโฮถ้ามีพระมาขอซื้อของกับผม เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ช่างผมควรทำอย่างไรดีครับคือปกตินี้พระไม่ไม่ควรที่จะไปขอขอของจากคนที่เขาไม่ได้ขอประวารณาตัวคาว่าปวารณาก็คือเสนอตัวว่าสมมติว่าท่านต้องการอะไรก็บอกผมได้ผมจะจัดหามาให้ถ้าเขาไม่ได้ประวารณาตัวนี้ไปไปขอเขาไม่ได้นอกจากเป็นญาติ ถ้าเป็นญาตินี่ขอได้ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติพี่น้องนี่ถ้าเกิดจีวรไม่มีหรืออยากจะซื้อปูนมาซ่อมกุฏิหรือทําอะไรเงี้ยขอคนที่เป็นญาติได้หรือคนที่เขาบอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าขอได้จากเขาก็ไปขอได้ถ้าไม่ได้ก็มันก็ไม่ควรข อ, อถ้าจะไปได้ของต้องการของก็ไปซื้อ แล้วจะซื้อทางที่ดีคนอย่าไปซื้อเองเพราะซื้อเองก็ทำให้คนเขาคนขายเขาเก่งใจ mm. ก็เหมือนกับไปขอเขาแบบแกมบังคับไเงี้ยไปซื้อพอเห็นภาพมาซื้อเขาก็บางทีเขาก็กลัวบาปเขาก็เลยไม่กล้าเก็บตังค์ก็มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเขาอยากจะทำบุญเช่นเราไม่เราไม่ไปซื้อเองแล้วให้ลูกศิษย์ไปซื้อแล้วเขาเขารู้ว่ า, าทางวัดให้มาซื้อ แล้วเขาก็เลยอยากจะขอถวายทําบุญอย่างนี้ก็ก็ดีก็ได้ไปแต่เป็นพระนี่ไปซื้ออะไรนี่มันจะทําให้คนขายอึดอัดจใจบางทีบางทีเขายังไม่พร้อมที่จะทําบุญเขาอยากจะทําแต่ตอนนี้เขาอยากจะหาเงินแล้วพอพอพระมาซื้อของต้องขายฟรีนี่มันก็ทําให้เขาไม่มีความสุขจากการที่เขาจะทําบุญก็อย่าไปทําอย่างนี้ดีกว่า พระพุทธเจ้าถึงเมื่อให้พักพกเงินพกทองเพื่อไปซื้อข้าวซื้อของเองห้ามไปซื้อข้าวซื้อของเองอยากจะซื้ออยากจะได้อะไรนี้ต้องฝากลูกศิษย์ให้เขาไปจัดการให้เช่นต้องการที่จะซ่อมกุฏิต้องการปูนต้องการอะไรก็บอกให้ลูกศิษย์เขาไปจัดการมาให้ไม่ควรที่จะไปที่ร้านเองคำ ถ, ถามจากคุณพล โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการที่โดนกล่าวเมื่อได้ยินการวิจฉาเกี่ยวกับเกย์ว่าการที่คนประเภทนี้เข้าหาพุทธศาสนาเพื่อลบปมได้เพราะเชื่อว่ามันไม่ถูกต้องทั้งหมดผมไม่แน่ใจว่าความคิดเห็นที่ผมคิดต่างแบบนี้ผมเป็นคนคิดผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดหรอกพุทธศาสนาก็เป็นที่เหมือนโงรงพยาบาลเนี่ยเวลาคนไม่สบายไม่ว่าจะเป็นเกย์ไม่เกย์ก็ต้องไปโงปรงพยาบาลฮะ คนที่มีความทุกข์ใจก็อยากจะดับความทุกข์ใจก็เข้าหาพระพุทธศาสนากันอหาที่พึ่งทางใจกันใจไม่มีเพศใจร่างกายของคนก็ไม่มีเพศถึงแม้จะมีเพศหมอเขาก็รักษาเหมือนกันหมดเขาไม่เลือกเพศเลือกวัยพระพุทธศาสนาก็ไม่เลือกเพศเลือกวัยคนใครจะเข้ามาได้ทั้งนั้นคำถามจากคุณจิตนาภา ฝักปัดใจไปทําบุญกับคนอื่นถามว่าจะได้บุญใหม่เจ้าคะได้ได้ถ้าก็าไปทําให้เราคําถามจากคุณกุ้ง ม, มีบ้านของตนเองหลังหนึ่งที่เคยให้คนอื่นเช่าเปิดร้านเนื้อย่างแต่ตอนนี้หมดสัญญาเช่าแล้วและตอนนี้ยังไม่เปิดให้ใครเช่าต่อคิดอยากปรับปรุงซ่อมแซงสักเล็กน้อยซึ่งในบริเวณหน้าบ้านมีสารพระภูมิเจ้าที่ที่ข้าพเจ้าเคยให้พามาตั้งใหม่ ตั้งแต่ตอนซื้อบ้านแต่หลังจากได้ฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ในเรื่องนี้บ่อยๆจึงอยากยกสารออกจากบริเวณหน้าบ้านควรจะทำอย่างไรดีคะที่จะไม่กระทบวิญญาณต่างๆในทางที่ไม่ดีเหมือนกับคนที่เคยมีคนไหลพูดไว้ค่ะก็อยู่ที่เราว่าทำไมเราต้องเลาออกด้วยมันก็อยู่ของมันเองก็ปล่อยมันอยู่ต่อไปสิก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าใจเรายังไม่มีความมั่นคงหรือถ้าเราไม่มีเหตุที่จะไปโยกย้ายมันก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นก็ได้ถ้ามันมีเหตุค่อยโยกย้ายไปถ้าไม่มีเหตุก็ปล่อยมันไปส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ใจเราด้วยหวั่นไหวหรือเปล่าเดี๋ยวเกิดเราโยกย้ายไปแล้วเกิดบ้างพังลงมาเราก็จะมาคิดว่าเป็นเพราะเราไปโยกย้ายสารวัภภูมิหรือเปล่าแต่ถ้าเราเป็นคนที่เชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วก็ อะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านก็ไม่เป็นไรเราไม่ป ไ, ไมปโทษเรื่องการย้ายสารกระพรูมเราก็ไปโทษที่กรรมของเราก็แล้วกันคำถามจากคุณอาจารย์งามค่ะคนมีรังสังหหอนล่วงหน้าแล้วเป็นไปตามนั้นเกิดจากสาเหตุใดเจ้าคะก็จากเขาที่มียานักอย่างรู้ได้มั้งกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าคำถามจากคุณธรรมรักษา บัวมีก vitamin, та, <S <S ี่เหล่าครับบางคนบอกสามบางคนบอกสี่ผมไม่แน่ใจครับก็เท่าที่ได้ยินสัญญาณจะได้ยินว่าสี่เหล่าบัวเหนือน้ำบัวปริ่มน้ำบัวกลางน้ำแล้วก็บัวตะบัวที่อยู่ที่อยู่ใต้ตมโครนก็มีอยู่สี่ด้วยกันคาถามจากคุณวิริพลบวชที่วัดยานต้องเรียนปริยัพไหมครับ อาเรียนเฉพาะช่วงเข้าภรษาอ่าเรียนเฉพาะนักธรรมอ่าใช่นักธรรมตัวยอ่าแล้วถ้าจะเรียนต่อต้องเรียนเองแล้วก็ไปสอบเองมีหนังสือให้อ่านมีนักธรรมระดับนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วถ้าต้องการเรียนบาลีก็ต้องไปเรียนที่สํานักสานักที่เข้าสอนใบวัดอื่นคําถามจากคุณปทุมมา ถ้าเราเห็นจิตและสภาพสภาวะในโลกทิพย์แล้วควรทําอย่างไรต่อคะอะไรไงน้า่อใหม่เนี่ถ้าเราเห็นจิตและสภาพสภาวะในโลกทิพย์แล้วควรทําอย่างไรต่อคะก็ควรปล่อยร่างกายถ้าเมื่อรู้ว่าเราอยู่ในโลกทิพย์เราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็อย่าไปยึดไปติดกับร่างกายเราอยู่ในโลกทิพย์เราไม่ได้เป็นร่างกาย ไปยึดไปติดกับร่างกายก็ทำให้เราทุกข์เปล่าเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายก็ปล่อยมันมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปและไม่ใช่ร่างกายของเราแต่ร่างกายของคนอื่นและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็ออกไปไม่ได้เราก็ปล่อยมันหมดอย่าไปยึดอย่าไปติดให้เอาบุญอย่างเดียว เอาติดบุญอย่างเดียวเพราะเราเอาบุญไปใช้ในโลกทิพย์ได้บุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะใช้ในโลกทิพย์ค่องถามจากคุณซอฟขอแนวทางลดกามอกิเลศครับถ้าแล้วแต่ว่าเราติดกามในรูปแบบไหนถ้าติดกามในรูปแบบของอาหารก็ต้องพิจารณาความสกรปรกของอาหารเวลาที่มันอยู่ในปากเวลาที่เคี้ยวเกิน เคี้ยวแล้วก็ผสมกับน้ำลายแล้วลองคายมันออกมาดูก่อนได้แล้วค่อยตักเข้าไปกินใหม่หรือเวลามันอยู่ในท้องให้มันอาเจียนออกมาแล้วก็ค่อยตักเข้าไปกินใหม่หรือเวลาที่มันออกมาจากทางทวารหนักให้พิจารณาดูว่ามันก็เป็นอาหารที่เราอยากกินเมื่อเกินเนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นสภาพอย่างนั้นแล้วยังอยากจะกินอยู่หรือเปล่าถ้านึกถึงอาหารแบบนี้ก่อนจะกินมันก็จะกินไม่ลง หรือไม่อยากจะกินอนี้ก็เจอวิธีแก้ถ้ามีการทางด้านอาหารถ้าการทางด้านเศษ ร, ร่วมร่วมเพศกันก็ต้องดูร่างกายของคนที่เราอยากจะเศษตอนที่เขาตายไปนี้พอไม่มีลมหายใจแล้วเรายังจะร่วมหลับนอนกับเขาเ่ะหรือจะยกให้ให้สับปเปลอไปให้คิดถึงเวลาที่ร่างกายตาย หรือมองเข้าไปข้างในก็ได้มองเข้าไปใต้ผิวหนังว่ามีอะไรบ้างใต้ผิวหนังก็มีกระดูกมีโครงกระดูกมีอวัยวะน้อยใหญ่มีปอดมีหัวใจมีตับมีไตมีลำไส้ถ้าเห็นอาการต่างๆเหล่านี้แล้วความอยากจะเสพการมันก็จะหายไปคำ ถ, ถามจากคุณมิ้น การที่เราปฏิบัติขึ้นเรื่อยๆมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากยุ่งเกี่ยวกับใครชอบอยู่เงียบๆคนเดียวมีส่วนจากการปฏิบัติไหมคะถ้าเราปฏิบัติไปมันสงบมันก็อ ย, กอยากจะอยู่คนเดียวเพราะมันอยากจะให้สงบนานๆเวลามาอยู่กับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวความสงบก็หายไปคำถา ม, ถาม<น>จากคุณกิติยาตอนเด็กๆ เ, เ, เล่นปลาหางนกยูงเห็นท้องป่อง เราเลยอยากทำข้อให้เป็นเด็กไม่รู้อะไรเท่าไหร่คะ่ะเลยเอามีดโกนมาทำข้อให้หลายๆตัวเลยคะ่ะ อ, อยากถามพระอาจารย์บาปมากไหมคะหนูเลยคิดมาตลอดว่าตอนนี้หนูป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกําลังรักษาตัวอยู่ก็เพอาะทำบาปกับตัดผลของเวนกรรมอย่างนี้ทำบุญแบบไหนให้เขาดีคะก็อุทิศบุญงบุญอุทิศก็คือการทาทานเนี่ยถวายทานไปแล้วเราก็อุทิศบุญไปให้กับเขา คำถามจากคุณทำมาลักษาตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยากให้พระอาจารย์แนะนำเกี่ยวกับการทางานให้มีความสุขและมีสมาธิครับก็ให้คิดถึงเงินเดือนที่เราจะได้เวลาเงินเดือนออกนี่มันถ้าไม่ทำเงินก็ไม่มีนั้นเราจะมีความสุขว่าอ๋อเนี่เราทำแล้วเดี๋ยวเงินก็มาแล้ว ให้คิดถึงให้คคิดถึงผลที่เราจะได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานทางโลกหรือทางธรรมก็เหมือนกันนั่งสมาธิใกล้คิดถึงเวลามันสงบมันสงบแล้วแหมมันสุขเหลือเกินก็อยากทำให้เรามีกําลังใจที่จะนั่งฆ่ากิเลสก็คิดถึงผลที่จะได้จากการฆ่ากิเลสโอเบาอกเบาใจไม่มีความทุกข์ใจคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะมีกาลังใจที่จะทางานของเราทาหน้าที่ของเรา ถามจากคุณสิเราอยากอยู่เฉยๆเงียบๆไม่ชอบวุ่นวายกับใครพอได้ยินคนมีปัญหากันหรือมีเรื่องวุ่นวายให้เราเห็นให้เราได้ยินทําไมเราถึงถึงจะต้องลาคาญหน้าเบื่อปวดหัวคลิปอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ครับก็เพราะว่าเราไม่อยากจะฟังเรื่องที่มันปวดหัวไงพอฟังแล้วมันก็เลยทําให้เรายิ่งปวดหัวใหญ่ ถาจากคุณนันทนาเคยเดินทางโดยรถไปตู้นอนหนึ่งชั้นหนึ่งแต่มีพระมาโดยสารด้วยแต่คนละเตียงแบบนี้พระถิดในไหนคะที่นอนในตู้เดียวกับโยมผู้หญิงค่ะน่าจะผิดนะเพราะว่าพระต้องไม่อยู่สองต่อสองกับศีกาในที่รับนับหูรับตาถามจากคุณวัดเคยบ่นว่าจะไม่กินเนื้อวัวแต่ไปที่ร้านก๋วยเสียว คนขายบอกไม่มีเนื้อวัวผมก็เลยกินเข้าไปสักพักเริ่มไม่แน่ใจเดินไปถามอีกครั้งคนขายบอกไม่ใช่เนื้อวัวแต่เป็นลูกชิ้นเนื้อวัวผมกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าครับคืออาจจะผิดอาจอาจจะผิดเพราะว่าเราไม่รู้แต่แต่ก็ไม่มีเจตนาไม่ได้ผิดด้วยเจตนาแต่ผิดด้วยเพราะความไม่รู้แต่ไม่บาปหรอกคือกินของที่ตายแล้วไม่บาป จะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้ออะไรก็ไม่บาปจะบาป ก, ก็ต่อเมื่อเราไปฆ่าเขาคำถามจากคุณวีริพน์วัดแถวบ้านเป็นวัดปริยะครับเลยอยากรู้ว่าวัดที่วัดยานปฏิบัติอย่างเดียวได้ไหมครับที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติกันอย่างเดียว<อ>ก็คำถามจากคุณสุธาพรณ์ จะบปวดร่างกายจากอาการป่วยเป็นๆหายๆต้องภาวนาอย่างไรคะก็พยายามอย่าไปอยากให้มันหายมันเป็นก็ให้ปล่อยมันเป็นไปอย่าไปคิดถึงมันอย่าไปยุ่งกับมันเราพุโทโธพุโทโธไปยุ่งเฉพาะเวลาที่จําเป็นเช่นเวลากินยาหรือเวลารักษามันส่วนมันจะหายไม่หายนี่เราก็อย่าไปอยาก ถ้าอยากแล้วมันจะทําให้เราทรมานถ้ามันไม่หายถ้าเราไม่อยากมันไม่หายเราก็จะอยู่กับมันได้จะไม่ทุกข์กับมันงนั้นต้องใช้ปัญญาใช้สติถ้าไปคิดถึงถ้าอยากแล้วใช้ปัญญาหยุดไม่ได้ก็ใช้สติหยุดก่อนพุโทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงอย่าไปให้มันอยากหายหรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็บอกว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้แหละเวลามันจะเจ็บมันก็เจ็บ มันจะหายมันก็หายเองมันไม่หายก็ไปทำอะไรไม่ได้อย่าไปอยากแล้วก็แล้วกักนถ้าไม่อยากเราจะไม่ทรมานใจคาถามจากคุณมิ้นการดูจิตตัวเองคือการทำให้เรารู้สึกตัวและมีสติใช่ไหมคะก็การการดูจิตนี้ก็ดูเพื่อให้เรารู้ว่าจิตเราตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่กำลังสร้างความทุกข์หรือสร้างความสุข การดูจิตอย่างเดียวไม่พอมันต้องควบคุมจิตได้ด้วยเช่นมันกำลังสร้างความทุกข์เราก็ต้องหยุดมันให้ได้เช่นมันกำลังโกรธเงี้ยเราก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าเราดูมันแล้วเห็นมันโกรธแต่ปล่อยให้มันโกรธไปหยุดมันไม่ได้การดูจิตก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรดูจิตเพื่อให้หยุดจิตให้ได้ดงนั้นการที่เราจะหยุดจิตให้ได้เราต้องมีสติขึ้นมาสร้างสติขึ้นมา การดูจิตไ ม, ไม่ได้ทําให้เกิดสติขึ้นมาแต่ถ้าดูแล้วหยุดมันได้ก็แสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าดูแล้วหยุดมันไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องพยายามสร้างสติด้วยการเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธไปแล้วเราก็จะได้สติเกิดมามันแล้วยังอ่าอีกงข้อคําถามจากคุณกุ๊กไก่ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการขอให้พ่อของหนูเลิกผิดศีลข้อที่หนึ่งกับข้อที่ห้า ควรจะบอกพ่ออย่างไรถ้าท่านไม่เลิกเราควรปล่อยวางจิตใจคืออุเบกขาใช่ไหมคะเออใช่แล้วแหะตัวใครตัวมันยิ่งพ่อเรานี่เราไปไปยุ่งกับเขาไม่ได้หรอกนอกจากว่าเราขอร้องแล้วพ่อเขาฟังเราสงสารเราทาตาทาให้เราได้ก็ขอไปแต่อย่าไปบังคับพ่อเขาก็แล้วกันอย่าไปบังคับอย่าไปสอนพ่อหมดแล้วนะก็พอดีกับเวลา แจ้ก็กลับไปนอนต่อนะแจ้น ะ, ะแล้วเดี๋ยวจะได้ตื่นไปทำงานได้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทธาน